หกสิบแปดใหญ่เล็กใหญ่และเล็กใหญ่และเล็กช้างตัวใหญ่ Elefanten น r er stor. ต u หนูตัวเล็กมูซาเป็นเล็ m มืดและสว่างมืดแลสตอนกลางคืนมืดนั้ตตตอนกลางวันสว่างบอจินเป แก่ชราหนุ่มสาวแก่และอุ่งคุณปู่คุณตาของเราแก่มากเบสต์ฟาร์นวอร์ร์อายุ t ิ่งดีแกเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มก่อนสตี่นชิดน์บารอนสวยและน่าเกลียด ผีเสื้อสวยซมอร์ฟุ้ลน์เป็นเพนแมงมุมน่าเกลียดเอริค p อปนสติ๊กอ้วนและผอมทึกและทินผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอวนเอ็นควินเน่ป์พอยี่ิบอ็ท ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมเอ็นมอนปัวห้าส r บ y ิโแพงและถูกด er ีรรถราคาแพงหนังสือพิมราคาถูก